วิธีสวดสมรภาพธและกรรมวาจาสวดสมรภาพภิกษุทั้งหลายก็สงพึงสวดสมรภาพาภิกษุณีนั้นอย่างนี้คือภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุตกรรมวาจาว่า718แม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีชื่อนี้ถูกตัดสินให้แพ้คดีในที่ก่อนหนึ่งโกรธไม่พอใจจึงกล่าวอย่างนี้ว่า พวกภิกษุณีลำเอียงเพราะชอบและพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะกลัวเธอไม่สละเรื่องนั้นถ้าสงพร้อมกันแล้วเพื่อสวดสำนึภราชภิกษุณีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นนี่เป็นยติแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีชื่อนี้ถูกตัดสินให้แพ้คดีในอธิกรณเรื่องหนึ่งโกรธไม่พอใจจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะชอบ และพวกภิกษุณ e ีลำ e เอียงเพราะกลัวเธอไม่สล ะ, ะเรื่องนั้นสงสวดสมนึาพ ภ, ภิกษุณีชื่อนี้เพื่อให้สล ะ, ะเรื่องนั้นแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการสวดสำนึบาพภิกษุณีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นแม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักท้วงนะดิฉันกล่าวความนี้แม้ครั้งที่สองดิฉันกล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ภิกษุณีชื่อนี้สงสวดสมรภาษแล้วเพื่อให้สละเรื่องนั้นสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้จบยติต้องอบัตทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตทุลใจจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอบัตสังคาทิเศตเมื่อเธอต้องอบัตสังคาทิเศตอบัตทุกกฎที่ต้องเพราะยะติ อาบัตทุลใจที่ต้องเพราะกรรมวาจาสองครั้งย่อมรองับไปคำว่าภิกษณุณีแม้นี้พระผู้มีพระภาคตรัดเทียบเคียงภิกษณุณีรูปก่อนๆคำว่ายาวตติยกะคือต้องอาบัตเพราะสวดสมรภาพจบครบสามครั้งไม่ใช่ต้องอาบัตพร้อมกับการล่วงละเมิดวัตถุคำว่านิสรณียะได้แก่ทำให้ถูกขับออกจากหมู่คำว่าสังฆาธิเศษความว่า สำหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้มานั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังคาทิเศษ